รู้ความชั่ววางแผนทำความชั่วทำความชั่วได้สาเร็จรูกความดีทำความดีได้สาเร็จก็ไหมรู้ทอดรู้ทนหนามมาทำที่อาศัยกันทำทำกรรมได้สาเร็จเราก็ทำได้สาเร็จแต่ว่ามันเป็นกรรมที่ไม่ใช่ความหลุดพ้นเป็นกรรมที่วุวน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 อาการเหล่านั้นมีการแสดงออกตามลักษณะเป็นความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มันความไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กับกองลูกกองนาำเฉลยได้ตรงนี้เฉลยได้ตรงไหคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกองรูปกองนาำเป็นอาการต่างๆที่เขาแสดงออก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 สมมติบัญญัตินี่บัญญัติขึ้นมาเพื่อใช่ให้สำเร็จประโยชน์เป็นสานเก่นชื่อเสียงเรืองนามของเราบุตรพัญญาสามีของเราทรัพย์สินของเราอะไรต่างๆเนี่ยสมมติบัญญัติใช่ตามใช่ตามความถูกความต้องสมมติใช่กันไปเป็นอะไรต่างๆมากหลาย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 ฉกช่วยเอาเข้าไปเอาของคนดูมมาเป็นของตนผิดสิ้นผิดธรรมไปแถ่พะพืธนผืนไปเห็นแต่ขานะตกแหลงตกแหลงของตะ ก, กะศิลาพอเห็นรูกเห็นนามแล้วเป็นตะ ก, กะศิลาของการศึกษาชีวิตเราลูกลู่แก้งไม่ใช่ลูกแบบจำลูกเห็นลูกเห็นพบเห็น เห็นความไม่เที่ยงก็ก็ไม่เที่ยงจริงจริงแบบไม่เที่ยงไม่จริงแบบไม่เที่ยงรู้จนเกลี้ยงทุ ก, ก็จริงแบบเป็นทุกแต่ความทุกันก็ไม่จริงมันจริงแบบเป็นทุกเฉยๆไม่มีสิ่งไหนที่จะไปยึดไปถือเอาอวิชากัรมฐานหลุดไปอย่างนี้พ้นไปอย่างนี้เห็นลูกสมมุติเห็นน้ำสมมุิเห็นบัญญัต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 เหนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่เมฆหมอกบังหลายชีวิตที่ถูกปิดบังตั้งแต่เกิดจนตายหลายชีวิตก็สางสาออกไปเกิดมามืดก็ไปมืดเกิดมามืดไปสว่างเกิดมาสว่างไปมืดก็แมเหมือนกับองค์คุริมานตัดคาถาออกแต่ก่อนนี้เราประมาท ภยหลังไม่ประมาทชื่อว่าสร้างโลกให้สว่างแล้วเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆแข็ง น, นั้นชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นมันหลุดนะภาวะจากนี้มันไม่ใช่เป็นคําพูดมันหลุดแล้วมันจึงมีคําพูดออกมาเป็นสมมุติออกมาสมมุติบัญญัติออกมาหลายรูปว่าอรหันต์หลายรู ป, าารรปที่บัญญัติที่เป็นคาถาแสดงออกมา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 ไม่ใช่ไปเรียนเหมือนการศึกษาฝ่ายปริยัตไปเรียนเอาว่าได้ปานาติปาตาเวลมณีว่าได้ปปะะไดหอบุดทังสนังกชามิว่าได้นโมโตัสสะพระคาวโตว่าได้อย่างผู้ที่ในตำราผู้ที่ว่านโมก่อนไขในโลกคือใครล่ะอะไรล่ะผมอะไร แตไม่ได้นี่เป็นความจำนะ <c oughs> ไม่ใช่ความรู้พอฟังเทศพระพุริชาเราเกิดศรัทธาน้อมกราบนามูตสสะปะกวาโตขอโนบโนมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะได้ยินได้ฟังได้เกิดปัญญาขึ้นมาหรือวสกวาสิกาคนแรกอ่าวีด้าของพระยาะมาดาวพระยาศภรรยาของพระยาศ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 แต่ว่าวิชากรรมฐานนี้เป็นวิชาที่เกิดจากการกระทําของเราทุกคนไม่มีใครที่จะให้กันได้นะต้องมาทําเอากเนี่ยกรรมฐานจําแนกไปเลยไม่ต้องมีอะไรหรอกกายนี่แหละเป็นตาําราใจนี่แหละเป็นตาําราสตินี่แหละจะเป็นนักศึกษาดูไปดูไป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 นี่มันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เก่งๆแล้วมันก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าหน้าสงสารคนเรามันมีทุกข์ขังทุกข์ขังนี่ยเป็นทุกข์ที่ออกไม่ได้ต้องกําหนดรูอย่างเดียวนั่งอยู่นี่มันก็หายใจเคลื่อนไหวมันก็เป็นทุกข์ของมันถ้าไม่พลิบตามันก็เป็นทุกข์ถ้ามาหายใจก็เป็นทุกข์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 ขอสติสร้างความเป็นธรรมอาธรรมทั้งหลายก็ไม่ขวงกันได้ง่ายๆการทํหลายความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงบางคนพูดว่าการห้ามจิตห้ามใจห้ามระยากทำระยากแสดงว่าไม่เคยปฏิบัติเพียงแต่คิดเฉยๆถ้าปฏิบัติเราง่ายกว่าอย่างอื่น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 มันเป็นอย่างนั้นมันมากขึ้นมันมีมันมีแหลกเหมือนกับความเพียรเมื่อน่าฝนเมื่อมีน้ําฝนก็เกิดชุ่มฉ่ำจะเขียวผลละหมากลางไม้เกิดขึ้นมาไปดูนี่เป็นเป็นฤดูแล้งใบไม้เหี่ยวแห้งเพราะอะไรเพราะขาดน่าฝนชีวิตของเราก็เหมือนกันความเพียร ความเพียรคือการกล้าเพียรยังไงเพียรละกุศลให้เกิดกุศลเพียรละอกุศลเพียรละบาปเพียรละกายทุจริตเพียรละวากิทุจริตเพียรละมนโนทุจริตให้เป็นกายสุจริตให้เป็นวาจาสุจริตให้เป็นมนโนสุจริตเนียเราจเจริญเศรษอย่างเดียวทำทั้งหลายทั้งหลายเหมือนกับการศึกษาเราศึกษาไป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 ที่เกิดขึ้นกับกายกับกจิตตกอยู่ในสภาพใจลักเนี่ยถ้าจะเิญอยู่อย่างนี้อย่างเดียวก็ถึงมากถึงผลได้แต่นี่เราด่วนเชอะหน่อนเราด่วนสายด่วนเชอะหน่อนเอาให้เอาให้ทันทีเลยบำเพ็ญทางกิจเข้าไปไม่ต้องไปลำดับลำนำบางทีปัญญาวิมุติก็เกิดขึ้นได้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 มีศีล ส, สมาธิปัญญามีกุศลอกาคุศลเอากุศลก่อนละกุศลต้องสร้างเรื่อยไปเปลี่ยนเรื่อยไปเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เอากุศลเปลี่ยนกุศลควมลงเปลี่ยนควมไม่ลงสังขารเปลี่ยนไปริสังขารอันที่สุดจิตใจมันก็เปลี่ยนลือหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวที่ทำให้สุขทำไมทุกข์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 มันก็มีรสชาตินะรสพระธรรมตรงนี้นะโอ้อยากสอนคนให้เขารู้เรื่องนี้ก็ตื่นลืล้นแล้ววานะไม่มีไม่มีคาสั่งไม่ต้องมีคาสั่งไม่ต้องไ ม, ม่ไม่ต้องมีมหาเทระสมาคมนาสั่งแต่นี่กำลังล่างพระราชมัญญัติพุทธศาสนากับล่างพระราชบัญญัตการคุ้มของพุทธศาสนา